หัวร้ออกีแรกที่อาตมาอยู่ในเมืองไทยพวกเรามักจะนั่งรถกระบะกันเล็กออกจากวัดนั้นไปวัดนี้ แน่นอนว่าพระผู้ใหญ่ย่อมได้ที่นั่งดีที่สุดคือที่นั่งต่อหน้าของรถกระบะพวกเราพระผู้น้อยต้องนั่งเบียด ก, กันบนกระดานไม้แข็งที่กระบะด้านหลังเนื้อกระดานนั่งจะเป็นโครงเหล็กเตี้ยๆไว้ถึงผ้าใบกันฝนและฝุ่น ถนนทุกสายฝุ่นคลุงและแทบจะไม่ได้รับ ก, การบำรุงรักษาเวลารถกระบะตกลุมบรรดาพระผู้น้อยก็กระเด้งขึ้นไปตามๆกันหลายครั้งหลายคราที่หัวของอาตมาโขกกับโครงเหล็กแข็งๆนั้นที่ร้ายก็คือการเป็นพระศีรษะโลน้นอาตมาจะไม่มีการชนไม่ป้องกันการกระแทก อาตมากล่าวสบถทุกครั้งที่หัวกระแทกแน่นอนว่าเป็นภานษาอังกฤษเรือพระไทยจะได้ไม่เข้าใจในเมื่อพระไทยหัวโคกบางท่านก็เพียงแต่หัวเราะอาตมาไม่สามารถจะเข้าใจได้ใครจะยังหัวเราะได้เวลาหัวโคกจนเจ็บจนนั้น มาพิจารณะว่าบางทีพระไทยเหล่านั้นหัวคงจะโดนโคกหลายครั้งมากซะจนเกิดความเสียหายทาวรบางประการเพราะอาตมาเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์อาตมาจึงตกลงใจทำการทดลองอาตมาจะลองหัวเราะ อ, อย่างที่พระไทยทำหากหัวโคกในครั้งต่อไป จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงโยมรู้ไหมว่าอาตมาค้นพบอะไรอารตมาพบว่าถ้าเราหัวเราะเมื่อหัวโคมันจะเจ็บน้อยลงมากๆเลยการหัวเราะลดปล่อยสารเอ็นดรฟิน เข้าสู่ระบบเลือดเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดโดยธรรมชาติและยังช่วยเสริมสร้างระบบปูมคุ้มกันไวต่อสู้กับโรคทั้งหลายดังนั้นเมื่อหลังเจ็บปวดการหัวเราะจะช่วยเราได้ถ้าโยมยังไม่เชื่อโยมก็ลองดูสิเวลาหัวโยมโขครั้งต่อไป สการสอนอาตมาว่าเมื่อชีวิตเป็นทุกข์ความเจ็บปวดจะบรรเทาลงหากเรามองเห็นด้านที่น่าขบคันและสามารถหัวเราะ อ, ออกมาได้